เสียงนะมีดย <c ười> ฟังทต่อไปามจเป็น <c ười> เสียง การฝึกฝนตนเองมีสติถ้าต้องการจะมีก็มีได้ทันทีกายก็ตามไม่ใช่ใหม่ไม่ใช่เก่ามีสติไปในกายทันทีโตขึ้นทันทีใช้ได้ทันทีไม่เหมือนปลูกพืชปลูก ปกปกข้าวการมีสติภายในกายเพื่ออะไรเพื่อป้องกันอกุศลธรรมที่เป็นบาบไม่เกิดขึ้นอกุศลธรรมคือความไม่ดีเกิดขึ้นกับปายกับใจสติจะเป็นการป้องกัน เหมือนเจ้าถิ่นเหมือนเจ้าของเหมือนกำลังพลที่ปราบฆ่าศัตรูได้ทันทียิ่งใหญ่ทันทีเติมครอบหลงเกิดขึ้นจากกายจากใจในสติทันทีเหมือนกับกำลังพลปราบฆ่าศึก ให้ความหลงเป็นความลู้อะไรที่ไม่ใช่ตัวเราว่าที่ลูกเกิดจากกาจากใจมีสติเท่านั้นที่ใช่ได้ตลอดไปตั้งแต่ต้นจนท่าปลาแล้วที่สุดน่าจะเป็นผู้ใหม่ผู้เก่า <c oughs> ก็ทำอย่างเดียวกันไม่ใช่เป็นไม่ใช่เรียนเหมือนฝ่ายโลก อรมบาลปฐมวัฒยมชั้นอุดมไม่ใช่อย่างนั้นต่าผูใ้ใดํำนานจำนานในความรู้เกิดอะไรต่างๆเปลี่ยนเป็นปาจี่บูชํำนานเรียกว่าปฏิบัติธรรม ที่แรกอาจจะง่ายที่จะหลงกพหลงทีใด ก, ก็รู้ง่ายที่จะสุขจกทุกข์เกิดจากกาจากใจโดยเฉพาะความคิดมาให้หลงได้มากกว่ากายกว่ารูปรดกินเฉียงตาหวจะบูกเลี้ยงกายใจอันนี้เป็นครั้งคราว แต่ความหวงเกิดจากจิตใจนี่ไม่มีอะไรที่จะไปเกี่ยวข้องไปใช้กับความหลงที่เกิดกับใจได้ออกจากของมรู้สึกตัวเราจะมีความเพียรใจใ จ, ใจที่จะรู้เสมอตามองมรตรงที่6ความเพียรชอบ แล้วก็ต่อไปถึงการมีสติเป็นการโชว์ขั้นตอนของการที่จะปฏิบัติตัวมีความเพียรเกิดขึ้นป้องกันตั้งให้มีสติแล้วก็มีองค์ที่เกตจะนับสนุน ชวไว้เหมือนทับหน้าทับหลังไม่จนง่ายนอกจากองค์มรรคองค์ที่ 7, เจ็ดก็ไม่องค์ที่แปดจุดหมายปลายทางทรงชัยก็เกิดขึ้นได้องค์ที่แปดเป็นรงชัย เก้าถึงที่สุดหมายเปิดทางจนไม่มีอะไรที่ต้องไปทํากับมันอีกสิงที่เกิดขึ้นกับกากับใจนี้มันหมดเป็นมันหมดเป็นไม่ใช่มันอยู่ตนมีภบมีชาติในกายในใจเราเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนหลงเป็ น, ป น, ปนไม่หลงเนี่ยเปลี่ยนรูปเป็น เปลยนไรที่เกิดกับกายกับใจเป็นรูเนี่ยหรือว่ากลุ่มกําเนิดของภพชาติไม่ใช่หลงจนตายทุกข์จนตายมีปัญหาจนตายไม่ใช่อยู่ที่กายที่ใจอันนั้นไม่ใช่สมบัติของกายของใจสมบัติของกายของใจคือมรรคผลนิพพานให้ปฏิบัติอย่างนี้ทําได้ทุกคน มีสติก็มีได้ทุกคนทันทีจะดว่าความหลงความหลงมีเหตุมีปัจจัยทาให้เกิดหลงได้วัตถุให้เหงืจากวัตถุที่เกิดแต่งความหลงคือตาหูจมูกเลิ้ยงกายใจรูปรสกลิก่นเสียงสองพัดตอารมณ์เตมรู้สึกตัวนี่ง่ายกว่านั้น บางทีเอาความหลงมาเป็นประสบการณ์มาได้บทเรียนอยากบันไดประโยช น, ย น, ยชน์ยิ่งเป็นความทุกข์ถ้าเป็นความทุกข์มีประโยชน์มากทุกขอะไรก็ไม่แน่เหนียวมันกับทุกข์ที่เกิดจา ก, กจิตใจเราก็ได้ประโยชน์จากมันมีสติเข้าไป จุดรวมมันอยู่ที่นี่เหมือนกับช่องแคบที่ทางผ่านของอกุศลมัทางกิดมากกว่าทางคาทางหูจมกูกด้วยกายใจมีสติเท่านั้นถึกเอาไว้เพื่อให้พร้อมถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ คงไว้ก่อนหรือว่าเจ้าถิ่นมีสติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของ จ, จิตใจเอาไว้มีสิทธิมีสติก็ใช่สติให้เป็นธรรมความหลงไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมความทุกข์ไม่เป็นธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรมเป็นธรรมจริงๆ สัมผัสได้ผู้ปฏิบัติพึ่งพึ่งเพิ่งกระทำได้ด้วยตนเองมาทำมันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดใบดีแล้วเปลี่ยนเปิงไม่ได้เป็นการโชว์ตรงชัยของพระอรหรันต์มหลงคหลงไม่หลง มันก็เป็นอยู่ดังนั้นยอมหลงไม่เป็นธรรมพอไม่หลงเป็นธรมรมตลอดอกุศลทั้งหลายไม่เป็นธรรมเลยมีความเพียรเพื่อลกุศลที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นมีความเพียรเพื่อยังกุศลที่เกิดขึ้นให้เจริญมากขึ้น นั่คือสติเมื่อกุศลเจริญมากขึ้นมีความรู้มากขึ้นเป็นที่เกิดของสินหกสมัติของปัญญาเป็นที่เกิดของมรรขผลความรู้สึกตัวเป็นพื้นฐานของมรรคผลสินจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีความรู้จึกตัวดูแลกายใจไม่ใช่คำพูดเป็นหลักปฏิบัติ มีสติก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีศีลก็กับจัดกิเลสความชั่วทั้งหลายตามกําลังของศีลได้ไม่มากมีสมาธิก็กำจัดกิเลสความชั่วทั้งหลายได้มากกว่าศีลมีปัญญาก็กำจัดกิเลสได้มากกว่าเรียกว่าบงเล็บสุดท้าย เรี่ยงเก่าคือปัญญาถึงสบาที่ปัญญาเป็นพลังขับเพื่อนให้เกิดมาเกิดผลเกิดจากสติเป็นพื้นฐานสติก็ไม่ได้เรียนรู้ใช้ได้เลยมี่อยู่แล้วเนาะเห้อการอยู่ในกายในใจเรา เป็นชมบัดของกายของใจอะไรก็ไม่งดงามเหมือนกับมีสติไปในกายชดด้อนผัาตูจากกูนวายสับสนอะไรต่างๆก็ตามตามมากาหนดคู่แขนเข้ารู้สึกเกียร์แขนออกรู้สึกตามต้นฉบับสติปัฏฐาน ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ในเรื่องนี้จากวิธีการหลายๆอย่างที่ทำมาหกปีค้นหาสัจธรรมเพราะมีโจรเด็กคนก็มีโจ์เป็นจำเลยของโจรที่รับแก้ความเจ็ บ, ค ว, จบความตายรวมทุก เอาด้วยวิธีใดก็ไม่เจอจึงมามีสติประในกายนั่งคู่แขนเข้าเหยื่อแขนอกในวันเพิ่นเดือนหกนั่นเกิดเลยขึ้นขณะที่มีสติคู่แขนเข้าเหยื่อแขนอกเห็นอะไรมีอะไรมาลบกวนมีมารมาลบกวนกิเลสบานขันธท่ามาน มัดจุมมานเท้บุตรตํามานสองขานมานี่เลกคือสิ่งที่ทราไม่ชอหมองเคยคิดเคยใช้ชีวิตแบบไหนก็ไปเปิดเพื่อนกับเรื่องนั่นจอกกลับตาลูจ ก, กตัวคิดถึงเพียมพาก็มากู้แขงเข้าอย่กแขนหนอกโดยอาศัยกรรมฐานกรรมฐานเกิดขึ้นที่นั่น คือที่ตั้งแห่งการกระทำตั้งไว้นี่ไม่ใช่มานั่งคิดถึงลูกถึงเมียแล้วคนมีลูกก็คิดถึงลูกคนมีเมียก็คิดถึงเมียอนเคยทำอะไรมาก็ติดมาหรือว่าปิญญาณวิญญาในขันอุปทานมันจิตาวายก็กลับมาไม่ใช่มานั่งคิดเวลานี่มาลู้สึกตัวทิ้งมันเลย รู้สึกตัวยิ่ง ม, มันคิดมันหลงไปที่ใดก็รู้สึกตัวไปแทนที่ความหลงมาเกิดขึ้นมามีความรู้ไปแทนที่ไว้อะไรที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติเจอได้ทุกข์เื่องเหมือนกับแค่ต่าเป็นจมเลยแค่ต่าเคยทุก รู้สึกตัวแค่แล้วพิาพากษาแล้วเอ้ยทุกข์กคค็ย่อกอดกยมีกิเลสตัณหาพิาพากษาแล้วรู้สึกตัวไม่มีที่ตั้งบอกเกินไม่ค่าไม่ที่อาศัยมีความรู้สึกตัวเระเจ้าถิน่นอาศัยกรรมฐานช่วย รอบๆได้อาจาจะไม่อยู่ในรูปแบบของการมานั่งยุกมือชา่างจังบะผู้ที่เคยกินแล้วถ้าผู้เชียงไม่เคยก็อาศัยกรรมฐานนี้เป็นนิมิต เ, เป็นที่เกาะจากไหนจะให้ความคิดแจ้ความคิดแต่งความทุกข์มนาะครับต่อจากความคิด มันแก้ไม่ได้ก็มีกรรมาฐานทือตั้งทิ้งไว้เนี่ยก็กลับมาลู่นี่ก่อนอะไรที่เกิดขึ้นก็มาลู่ก่อนง่ายๆอย่าไ ป, ปหาคำตอบจากความคิดมันเบื่อมันปุ่งซ้อนมันเลยเกิดขึ้นก็กลับมาหากรรมาฐานหาที่ตั้งเอาไว้ไม่ใช่ไปทำใหม่ทําหม่ทมําให้ทุกข์เป็นทุกข์ไป เียดเป็นเครียดในพุ่งซ่านเป็นคุ่งพุ่งซ่านแตว่าเราจะเป็นตัวเป็นตนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็มาได้กับมหาที่ต้องเหมือนกันหมดวปฏิบัติก็เหมือนกันหมดไม่ใช่คนละแบบความพุ่งซ่านก็มีคิดถึงอดีตก็มีคิดถึงอนาคต กังวลในอนาคตก็มีนั่นไม่ใช่ความจริงกลับมาที่ตั้งให้เป็นปัจจุบันของจริงมันต้องเป็นปัจจุบันปัจจุบันมันแ่้ได้เปลี่ยนได้ไม่ใช่อนาไม่ใช่อนาคตไม่ใช่อดีตเนี่นมันเคยมีความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงความรอกเกี่ยวันเนา มีทั้งอดีตมีทั้งอนาคตไม่ใช่จะไปแก้แบบนั้นมาลู้สึกตัวเนี่ยปัจจุบันนี่ยลู้ได้นี่สติตัวตอบทักท้วงเห็นความหลงความเกิดจากความคิดที่ไม่ตั้งใจมันหยาบคลายที่สุดที่แรกมันอาจจะด้านแต่ความคิด นั่งคิดอยู่ได้นั่งทุกข์อยู่ได้นั่งสุขอยู่ได้อยี่ยวกับความสุขความทุกข์อยู่ความหลงความโกรธอยู่ได้แต่พอมีสติมันจะหลุดโหลนไม่ต้องไปอดไปกัน้นโดยกรรมฐานโดยอาศัยกรรมฐานเป็นรูปแบบเปื่อนความโกรธไม่ใช่ไปอดไปกัน้น คนเอาตอนนั้นยังแช่มาได้ถ้ายังอดจังทนยังแช่มาได้ในเรื่องของสติไม่ใช่ไปอดไปทนแบบนั้นเพียงแต่มาอยู่ในกรรมฐานรู้สึกตัวจัะยกมือพลิกมือหอยใจชื่อตัวขึ้นรู้สึกตัวจัะทิ้งท้ายมันเลย ดีดตัวออกมาออกฉากถ้าเป็นนักโลกก็มีฉากไม่ที่หลบรูหลบเป็นปีกรู้เด็ ก, กเป็นหางไม่จะไปใส่ใจเรื่องนั้นนนใส่ใจเรื่องก็มาถาน ม, มีสติไปในการแล้วก็รู้ได้อาจจะเคลื่อนไหวมืออาจจะเดินจงกรม่าจจะหายใจเข้าหายชใยออก เราจะยืดเมื่อ ย, ยืดตัววางใบหน้าใบาตาบางใบหน้าดีๆมันก็งอให้มันจำนี้จานานปัญญาตะปริญญาจำนานในการลู่จิกตัวง่ายกว่าที่จะหลงลู่แล้วยาตะปริญญาตัวนี้คือลู่แล้วอะไรก็ผ่านมาทางลู่ทั้งหมด ไหวที่สุดถ้าเป็นนักลบปืนอาวุธไหวที่สุดแม่นที่สุดสกกถุกก็รู้แล้วทุกก็รู้แล้วผิดก็รู้แล้วถูกก็รู้แล้วหลงก็รู้แล้วไว้ด้วยกันเรียกว่าชำนาญเรียกวปะริญญาชํ า, าชนาญในความรู้ ที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับปลากับจอยในพัฒนาด้วยบทเรียนจากมันเหมือนกับคู่ซกคู่ซ้อมเหมือนกับกฎเกณฑ์ธรรมาชาติกฎธรรมาชาติการฝึก ปติปนในกายนี้ได้บทเรียนมากมายเป็นสูตรบอกทั้งหมดทั้งหมู่อกุศลกุศลรู้ชัดเจนเห็นกุศลเห็นอกุศลห่มกัดโชว์สองอย่างอากุศลคือความหลงความไม่ดีทั้งหลาย กุศลคความดีทั้งหลายเทิืนที่หมดกุศลหมดออกกกุศลมีชติไม่ปล่อยอกุศนในข้างคาในการในใจไม่มีรอยทัดทีนิดหน่อยไมได้ขุดคุย ถ้ามีสติดีมันจะกูดคุยเป็นงานบาปอกุศลจริงๆไม่ใช่งานจางเกินจะมาทางไหนก็รู้เหมือกัอยารักษาโรคยารักษาเชื้อโรคเชื้อโรคอยู่ที่หน่อยอยาเข้าไปรักษาอะไรที่เป็นเชื้อโรค รูปโลกนามโลกรูปทุกนามทุกรูปหมดรูปสมมุตินามสมมุติเป็นทุกข์เพราะสมมุติเป็นทุกข์เพราะรูปโลกเป็นทุกข์เพราะนามโลกรักษาตด้รูปนามโลกก็คือจิตใจไม่จิตใจเศร้าหมอง ความหลงความโกรธความทุกข์อย่างนี้มันรักษาได้าหายหมดเนื้ออารมณ์เขาจะเป็นผู้มไม่มีโรคน้ำโลกโลกโลกถูก <c oughs> ทุกเนื้อมทุกขุดคุยมากที่สุดส น, นุก ตรงกันพอดีเลยพุทธะเกิดขึ้นเพื่อเรื่องนี้เพื่อการนี้โดยตรงเมื่อจริงเหล่านี้ไม่มีแล้วเกิดอะไรขึ้นว่าชินพพชินชาติชินพพชินชาติน่สติเป็นหน้าโลกสติเป็นธรรมวิฎายํำไม่ไหนนี่เป็นมรรคเป็นผล เาีนาศกเขามีสติเป็นมินายมีสติเป็นหน้าโลกรอบโคบเป็นมากเป็นผลชีหนาศกคือพระอรหันต์ไม่มีอะไรจะทํานอกจากทุกข์ทรมารถเกิดขึ้นมิแต่ทุกข์ทรมัตต์อยู่มิแต่ทุกข์ทรมัตตดับไปเมื่อมันมีทุกข์ดับไปจะทำอะไรอไม่มีอะไรทํา เรียกว่าพุทธเกิดขึ้นกับชีวิตของคนในที่มีรูปมีนามนี้คนเลยเป็นพุทธไม่ใช่คนเป็นคนถ้าคนเป็นคนหลงเป็นหลงล้าคนก็เป็นคนทุกเป็นทุกลวคนเป็นคนถ้าทุกเป็นรูปโกรธเป็นรู้หลงเป็นรู้คนเป็นพุทธ ที่เปลี่ยนพรเปลี่ยนชาติถ้าหลงเป็นหลงไปสู่นรกเท่ากับขนขนโคลถ้าหลงเป็นลูกไปสู่นรกเท่ากับเขาโคลนิดต่อเนื่อชาติมันชิ้นได้ไม่เหมือนเก่าพ้นภาวะเดิมผู้ที่จเจริญจิติ ในระดับในระดับหนึ่งปิดอบายยภูมิได้แน่นอนเพราะเราเห็นอยู่อบายวภูมิคือลายถ้าจะพูดถึงภูมิอของเชื่อเพลศัลยศาสตร์จนทเรศศิรศิัชช า, ศาศนศนลุกคือลายจำพวกนี้เดริชานมันขวงไว้อะไรที่มันขวงในทางขวงนี่ว่าเดริฉาน เพิมหลงมันขวงให้เกิดความโลภเพิมโกรธหวงไว้ให้เกิดความไม่โกรธความทุกข์หวังว่าให้เกิดความไม่ทุกข์ถ้าเลยไม่เกิดขึ้นยังไม่หลงไม่โกรธไม่โลภไม่ทุกข์ไปทางขวงไม่มีสาหรับผู้ปฏิบัติธรรอสุรกายคืองูงูไม่ฉลาดแม้แต่หลงอยู่ก็ยังงูอยู่โกรธก็ยังงูอยู่ ไม่อายยาพลายตื่อด้านหมกมุ่อยู่ในกับความคิดยิดที่ใดก็เป็นทุกข์คิดก็หา้าคิดก็เป็นการกัดต่อตัวเองไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักออกทั่วสุรการเคยงูกไม่ดีดตัวเอาจนเกิดความเล่ารอ้อนก็อยู่ในควของเปต ความภูมิของความชั่วต้องหลอยเกิดขึ้นกับชีวิตของคนนี่สิ่งเหล่านี้มันไม่ยากมันต้องปิดได้ผู้เจริญสตินับรองได้เอาชื่อว่าทุกข์มันเป็นของที่เห็นได้ไมาเปลี่ยนได้จริงจริงเอาชื่อว่าหลงก็เปลี่ยนได้ยังยิงชื่อว่าโกรธก็เปลี่ยนได้ยจริง ไม่ใช่ปรอยู่รีแล้วลึกซึ้งประจตจตังสัมผัสได้สัมผัสได้ต่ดดงกันอยู่ไม่หลงในความไม่หลงมนะันเอาไม่ได้ไม่ทุกในความไม่ทุกในความลังหรือสงสัยในความพุ่งสั้นในความง่งเอาหอนอนพห้บาตร พิฏฐิมาดังทิฏฐิางานะสำคัญมั่นหมายเป็นตัวเป็นตนตรประกอบอะไรต่างๆในกวามอะไรที่มาเกิดกับการกับเป็นตัวเป็นตนไปจนต้งหมดตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนั่นแนะ่ะอยู่ในขันห้าเมตนะก็คือเรา สัญญาสังขารวิญญาณคือเราคือตัวเร า, าให้เห็นว่าเอชนาสกุลเอชนาเลยนี่ไม่มีตัวไม่ตนในขันธ์หน้าทื่ว่าจักรยาทิติพระฤยบุคคลเั้นต้นละได้ไม่สงสัยในการปฏิบัติหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องตัดทิ่ใจไปเลย ไม่สงสาลก็แค่นี้เราจะทํามาได้เลยเลยสมบัติของพระอริยบุคคลชั้นต้นมีกันทุกคนเห็นกันทุกคนไม่ใช่บรลี้ลับ จ, ากกาจักรยานติเอาเรื่องอาการที่เกิดขึ้นกับปลายเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นต น, ต น, ต น, ต น, ตนตที่เกิดขึ้นกับปลาย เห็นใช่เห็นความร้อนเห็นมันร้อนไม่ใช่เป็นผู้ร้อนมันหิวเห็นมันหิวว่าเป็นผู้หิวมันเจ็บเป็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บวิธีละสกัดยาสติคือเห็นตัวเดียวเนี่ยไม่เชื่อใจหาวัตถุจิตของอย่างองื่นเพิ่มแล้วโลภจริงๆสติเป็นหน้าโลภจริงๆใช้ได้ ยึ่งขอให้สถานที่เป็นที่ฝึกอบรในด้านนี้โดยตรงหนึ่งวนันสองวนันเจ็ดวันพิสูจนกันดูเราเป็นเพื่อนเปมิตรกันทำเหมือนกันหลงก็หลงเหมือนกันสุข ก, ก็สุขเหมือนกันทุกขก็ทุกขเหมือนกักกกนกผิดก็ผิดเหมือนกัน แต่เวลาเราผิดเราจะทำให้ไม่ผิดก็ทำเหมือนการปลึกตนสอนตนเอามันมาให้ปึกความหลงาให้ปึก ใ, ให้เกิดความรู้อย่าให้ผิดเป็นผิดเห็นมันผิดอย่าให้ถูกเป็นถูกเห็นมันถูกอย่าให้ความู้กสัน้นเป็นควงมผูกสัน้นเห็นมันพุกสัน้น อย่า้ความสงบเป็นความสงบเห็นมันสงบอย่าไปเปื่อเพื่อนกับเพียงใดสติไม่เปื่อเพื่อนกับเพียงใดคำว่ารู้รู้เนี่ยเป็นเป็นพรหมจร์เป็นพรหมจรร์นะรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยคือพรห ม, มจรร์ไม่เปืเป่อเพื่อนเราดีจุดถ้าหลงเป็นหลงเ ป, เปื่เพื่อนกับความหลง ุกับปวดเพื่อนกับความสุขทุกข์ปวดเพื่อนกับความทุ ก, กข์ลู่นี่เป็นธรรมจักรนี่คือการปฏิบัติเป็นการสมผัดได้ได้บทเรียนจากกาจากใจมากมายจนสรุปได้ว่าทิงใดที่เกิดขึ้นกับกากับใจ ไม่เป็นกับมันมีตัวเห็นไม่เป็นจะมีมากขนาดไหนไมีตัวเห็นไม่เป็นกับมันได้ยว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายจะให้ข้ามเป็นอาการมาใช่ตัวใช้ตนเลยขอบคุณมันหยมกัดมันเจ็บปัญญาการของกายปีจัยจิตใจมันคิดตัวที่นี่เป็น อาการที่เกิดกับใจครับเป็นอาการเฉยๆคนไม่ตายต้องมีอาการอะไรเกิดขึ้นเจ็บแค่ได้ป่วยเป็นอาการที่เกิดขึ้นอาการจากใจให้ค่าเป็นอาการไม่ค่าเป็นสุขไม่ค่าเป็นทุกข์ถ้าเป็นสุขเป็นทุกข์มันมีตัวมีตนทุกข์มันจะอยู่ในกายทุกข์จะอยู่ในใจ ไม่เป็นอาการนไม่เปนกับมันจยดหมายปลาทางอยู่ที่นี่ลัดลดมาอย่างนี้ปฏิบัติธรรมอย่าเนื่อนช้าเกินไปไวๆสักหน่อยแด้วทำเลืนเล่นๆมันจดด้านด้านในความหลงด้านในความด้านในอาการต่างๆมากมาย อาการที่เกิดขึ้นกับป่าเป็นคนด้านเป็นคนเป็นไปกับมันสุกเป็นสุกทุกเป็นทุกโกรธเปนโกรธหลงเป็นหลงรักเป็นรักเสียดชังเป็นเสียชังมันจะด้านอยู่เช่นนั้นจนตายให้เป็นพูดที่ชัดเจนเล่าพ่อแม่นยอมประโนโฉนตน ประมาทไม่ได้ในะความหลงประมาทไม่ได้ในความสุขประมาทไมได้ในความผิดความถูกความทุกข์เป็นความรู้ทั้งนั้นมันจัดลัดแม้แต่อะไรที่เกิดขึ้นในวารณทรรมของโลกหมองห้อนอนคามเลอสงสยัยความผุ้คิดผุ้ฉลาดจะประมาททำไมสลัดออกมารู้จากตัวแล้วมันเอาแรงเอากรบมมาเลยเหมือน สลัดมันปัดออกนนจถ้าเราไม่ประหัดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกากับใจมันจะรัดที่สุดแล้วอาจจะหลงชักเกิดโลกเหมือนพระโสดาบันผู้มีครเกยดภพเกิดชาติ ถ้าเจ๋งมั้นพระนาคามีมูมีพพบพันเดียวมีพบเดียวเราอยู่ในฐานะแบบไหนเรื่องที่ทจใมาทุกมีกี่ข้างคิดกันมาเป็นทุกเป็นทุกความคิดมีกี่โลกเฉีนโลกอสุขไคโลก มันจะมีค่าอะไรชีวิตของเราเนี่ยให้โกด่องได้ให้โก้ไดใ้ใครจีอสงไขโรอบแล้วจีข้างแล้วใช่ใจแค่หน่อยเพื่อจะรีบด่วนตลัดตันทีรู้สึกตัวตันทีเรามีกรรมฐานแล้วเอาเลยอาจจะเป็นพระนาคามีรอบสุดท้ายดุกตดด่อย กระโดดได้ไกลถ้าตั้งใจดีๆในความเพียรมีความรอบครอบกระโดดได้ไกลถึงสุดยอดเลยก็ได้เหมือนพระอนาคาีมผู้มีรอบเป็นเดียวจนหมดเกี้ยงไม่เหลือจะเป็นพระาราหันได้ อหรหันคือผู้ไกลจากข่าศึกไม่มีค่าศึกไม่เหมือนอหรหันที่มีนิทระเในหอนนันเอินะได้ยินหมนะสมควรเจิเวลา